ลำดับที่11โดยหลวงข้ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดพุดาดธานีสแสดงคำในวันที่31สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าไม้ยาง3ประเภท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 พี่น้องแถวบัตรบันโพนแถวภูไทยนะแล้วก็มีน้องบัวซอแล้วก็อุดรมีหลายคณะมีเมื่อ ว, วานมีมหิน ม, ม, ม, ม, มักเป้งด้วยก็เลยเห็นเทนแล้วก็ โ, โอโ อ, โ อ, อบอุน่น <c oughs> คนมากเมื่อ ว, วานนี้แต่ถึงยังไงก็ยังน้อยกว่าน้อยกว่าวานันอำเภอบ้านผือมาอำเภอบ้านผือมาวันนั้นโอ้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 บางดีบางวัดก็ถ้าไม่จำเป็นจริงท่านก็ไม่ก่อสร้างท่านก็ได้พาคณะสัทยาญาติโยมบําเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเรื่องภาวนานะนะั่นเป็นหลักแต่ก็ออพอมีพอมีเวลาก็พาคณะสัตยาญาติโยมทัศนศึกษา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 ที่จะทำให้จิตใจพ้นทุกข์ในวัตะสงสารเข้ามาอยู่นี่เรเป็นนักพรตนักปวดไม่ใช่จะมาบวชที่วัดนาคำน้อยนะอย่าไปหาคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นไปคิดเข้ามาหาตัวเองไปบวชที่ไหนก็ได้อยู่ป่ารงพงไพยตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์เป็นนักพรตนักปวดแล้วก็บำเพ็ญตะปอพร ม, มจริยา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 เดินทางไปออกจากกรุงพาราณสีเพื่อจะไปกรุงราชสคืไอ้กรุงนี่แหละไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือไอดชินสามพี่น้องลุเวลานาทีกระจะปะที่กรุงราชคักคืนะแล้วพระ อ, องค์เดินมากมาเห็นพระยศเกิดความเบื่อหน่ายในในการเป็นครวัตพออระองค์เทศนาให้ฟังท่านก็ได้สำเร็จ เ, เป็นพระอรหรันต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 ที่นี่ไม่บุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศสะเข้ามานี่นี่นะ ล, ลูกเศรษฐียศสะก็เข้าไปกากพระพุทธยาพระองค์ก็แสดงทำให้ฟังก็ได้สำเร็จฮะแบบพูดแบบโรกรัฐนะจากนั้นพระองค์ก็จะเด็ดต่อไปอีกพอไปไปนั่งอยู่ที่โครนต้นไม้ต้นหนึ่งพอโคนต้นไม้เห็นพัทธวคีส0สบพัทธวคีสาสคือคาว่าเป็นไปเที่ยว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 ที่อยู่บนบกก็จริงแต่มันชุ่มด้วยอย่างมันมีอย่างไม่สามารถสีเป็นไฟไม้ที่มันแห้งสามารถสีเป็นไฟท่านค็ น, น้อมเข้ามาหาตัวพระทายใจขององค์ท่านเองเอถ้าจิตเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรถ้ามันชุ่มชํำอย่างนั้นจะเห็นธรรมได้ยังไงจะรู้จริงเห็นจริงได้อย่างไรนี่แหละท่านก็มานำมาสอนพวกเราท่านทั้งหลายเองพวกท่านทั้งหลายนะยใจต้องให ให้แห้งนะเออย่าไปนึกตรึกในเรื่องก e ิเลสราคะโทสะโมหะนะเอทํำให้จิตใจยกระดับขึ้นมานะแล้วก็บําเพ็ญ น, นะเอให้จิตใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพิจารณาร่างกายให้เป็นเหตุอสุภะปฏิกูลนะร่างกายสังขาร น, นี้่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะเลี้ยงแล้ว